252ปฏิสารณียกรรมปฏิปัสสธิกถาว่าด้วยการระงับปฏิสารณียกรรม425ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอะหยิ่ง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 แล้วแบ่งพวกโดยทำรรปฏิรูประงับปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูประงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น